สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบ่บาล น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเฟรซูตอนที่สามร้อยหกสิบแปดเรื่องชังพระจของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลู ก, กาบทที่สิบสี่ข้อที่ย5 2สบห้ายี่สิบหกโปรดฟังพระเจ้าของพระเจ้าคนเป็นอันมากได้ไปกับพระองค์พระองค์จึงทรงเหลียวหลังสอดกับเขาว่าถ้าผู้ใดมาหาเราไม่ชังบีดามารดา บุตรพัญญาและพี่น้องชายหญิงแม้ทั้งชีวิตของตนเองด้วยผู้นั้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้พี่น้องครับเพราะวจ้นะของพระเจ้าตอนนี้ได้บรรยายถึงคําตรัสของพระเยซูว่าหากว่าใครที่ติดตามพระเยซูนั้นไม่ชังบิดามารดาไม่ชังบุตรพัญญาไม่ชังพี่น้องชายหญิงไม่ชังชีวิตของตัวเองผู้นั้นจะเป็นสาวกของพระองค์ไม่ได้ ให้เรามาดูในประเด็นแรกที่สําคัญก็คือว่าคนที่ติดตามพระเยซูนั้นไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นสาวกหรือผู้ที่เชื่อในพระองค์บางคนติดตามพระเยซูเพียงเพื่ออยากรู้อยากเห็นบางคนติดตามพระเยซูเพียงเพื่ออยากจะสัมผัสกับ ก, บการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงทำรรบางคนติดตามพระเยซูก็เพราะเนื่องจากประทับใจประทับใจซาบซึ้งในคําสอนของพระองค์ บางคนติดตามพระเยซูด้วยเหตุผลส่วนตัวของตนพี่น้องครับในโอกาสเช่นนี้พระเยซูทรงสอนพวกเขาถึงสิ่งที่จำเป็นว่าการติดตามพระเยซูจะต้องมีเป้าหมายสูงสุดคือการที่จะเป็นสาวกหรือการที่จะเป็นผู้ที่เชื่อฟังพระเยซูพี่น้องครับการทำอย่างนี้ต้องจ่ายราคาครับจ่ายคุณค่าเพราะเหตุที่ว่า ค่าของการเป็นสาวกนั้นมันมีสูงมากครับภาษาอังกฤษนั้นเขาใช้คําว่า pay the price หมายความว่าจะต้องจ่ายราคาจะต้องเสียบางสิ่งบางอย่างนะครับเพื่อที่จะแลกมาซึ่งบางสิ่งบางอย่างที่มีคุณค่ามากกว่าพี่น้องครับคุณค่าของการเป็นสาวกนั้นมันสูงมากพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นสาวกของพระเยซูอยู่แล้วนะครับอาจจะติดตามพระเยซู ในระดับหนึ่งอาจจะมอบถวายชีวิตให้กับพระเยซูระดับหนึ่งนะครับจะมีขั้นมีตอนมีการเพิ่มความเข้มข้นของการเป็นสาวกของพระเยซูเพี่นัครับแต่จุดตั้งต้นที่พระเยซูทรงให้เราทั้งหลายได้ตระหนักและมีความสำคัญสูงสุดก็คือว่าคนที่ติดตามพระเยซูนั้นจะต้องชังครับชังหมายถึงว่าเกลียดชังนะครับชังหมายถึงว่า ไม่ชอบนะครับแต่ในลักษณะของการตีความหมายนั้นเราต้องกลับไปหาภาษาเดิมครับบางคนก็จะมีปัญหาสอบถามมาว่าโอ้ถ้าเกิดเราติดตามพระเยซูแล้วเราต้องเกลียดพ่อเกลียดแม่ของเราหรือเปล่าเราติดตามพระเยซูแล้วเราต้องเกลียดพี่เกลียดน้องของเราหรือเปล่าเราติดตามพระเยซูแล้วเราต้องเกลียดภรรยาเกลียดสามีของเราหรือเปล่า แล้วเราติดตามพระเยซูแล้วเราจะต้องเกลียดตัวเองด้วยเหรอถ้าอย่างนั้นผมขอดิฉันขอไม่ติดตามพระเยซูไม่อยากเป็นสาวกเอาเฉพาะณเวลานี้ก็พอแล้วเอาเฉพาะเรายอมที่จะเป็นทฤเตีนและทาตามทำสอนได้บ้างไม่ได้บ้างก็พอแล้วพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะขวนน้ำลึก ถึงจุดแรกที่เราเชื่อพระเยซูจุดแรกที่เรารับเชื่อจุดแรกที่เรายอมรับว่าเราเป็นคนบาปจุดแรกที่เรายอมรับว่าเรานั้นไม่สามารถช่วยตัวเองได้แต่เมื่อไม่สามารถช่วยตัวเองได้เราขอพระเยซูช่วยยกโทษบาปเราสารภาพบาปกับพระองค์เรายินดีที่จะต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตจุดนั้นพี่น้องครับตรงนั้นเราอา จ, จยังไม่ชัดเจน จำไม่ได้หรือเราอาจจะยังสับสนในช่วงนั้นเองความรู้สึกแห่งความทราบซึ้งความรู้สึกว่าพระเจ้าทรงนําพระวิญญาณทรงทํางานทําให้เราก็ต้อนรับพระเยซูเรารับเชื่อหลายคนเดินออกไปหลายคนยกมือหลายคนอธิษฐานตามพี่นองครับแต่เมื่อเราเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าเราได้เรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าเราได้อ่านคําสอนที่พระเยซูทรงสอน เราจะต้องมาถึงจุดแห่งการถวายตัวครับการถวายตัวตรงนี้ได้หมายความว่าเราจะต้องจ่ายราคาการเป็นสาวกจากตรงนี้นี่เองทําให้หลายหลายคนนั้นได้พลาดจากน้าพระทัยที่ดีเลิศประเสริฐสุดที่พระเจ้าได้เตรียมไว้สําหรับคนที่ติดตามพระองค์นั่นคือการเป็นสาวกที่แท้จริงการเป็นสาวกที่ทำให้ชีวิตของเรานั้นจะเป็น เครื่องบูชาที่พระเจ้าทรงพอพระทยนั้นเป็นสิ่งที่ค่อนข้างยากและมีคนน้อยที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้ผมอธิษฐานว่าขอให้ผู้ที่ฟังเสียงจากสีบานทุกคนนั้นจะเป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงและผู้ที่ติดตามพระเยซูอย่างแท้จริงั้องเข้าใจก่อนครับว่าเราจะต้องชังครับคำว่าชังนั้น ไม่ได้หมายความถึงลักษณะของการเกลียดชังจริงๆแต่ในภาษาเดิมนั้นมีความหมายที่น้องฟังให้ดีนะครับมีความหมายหมายถึงคำว่ารักน้อยกว่ารักน้อยกว่านั่นหมายความว่าไงครับหมายความว่าเมื่อเราติดตามพระเยซูนั้นเราจะต้องรักพระเยซูเป็นที่หนึ่ง ค, คำว่ารักพระเยซูนั้นมีความหมายลึกซึ้งครับเทียบเท่ากับคำภาษาไทยที่ดีที่สุดก็คือคำว่าจงรักภักดีคำว่ารักมีความหมายในภาษาไทยนะครับที่ลึกซึ้งว่าจงรักภักดีพี่น้องครับนี่เป็นประเด็นสำคัญที่ผมจะพูดในวันนี้ก็คือหลายลายคนอ่านแล้วไม่เข้าใจนะครับก็เลยไม่กล้า แต่เมื่อเข้าใจความหมายที่แท้จริงว่าถ้าผู้ใดมาหาเราและรักบิดามารดาบุตรภันยาพี่น้องชายหญิงและชีวิตของตนเองมากกว่ารักพระเยซูผู้นั้นก็จะเป็นสาวกของพระองค์ไม่ได้พี่น้องครับโปรดฟังอีกครั้งครับถ้าผู้ใดมาติดตามพระเยซูพระเยซูก็บอกว่าถ้าผู้ใดมาหาเราและรักบิดามารดาบุตรภันยา และพี่น้องชายหญิงและชีวิตของตนเองมากกว่ารักพระเยซูผู้นั้นจะเป็นสาวกของพระองค์ไม่ได้นะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สําคัญมากครับในเช้าวันนี้อยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสไขชวนครับคิดถึงชีวิตของตัวเองว่าเรารักพระเยซูมากกว่าสิ่งอื่นใดหรือเปล่าพี่น้องครับคําว่ารักมากกว่านั้นก็มีความหมายถึงการจัดลาดับความสําคัญก่อนหลังด้วยครับ ภาษาอังกฤษใช้คําว่า priority นั่นหมายความว่าใครก็ตามที่ติดตามพระเยซูและเป็นสาวกแท้ของพระองค์นั้นจําเป็นจะต้องจัดลําดับความสําคัญให้พระเยซูมาเป็นที่หนึ่งครับหลายๆคนเคยฟังเทศนะครับถ้าพระเจ้าพระเยซูมาเป็นที่หนึ่งนะครับก็คือเหมือนกับหมายเลขหนึ่งนำหน้าศูนย์ครับนะครับหากว่าไม่มีหมายเลขหนึ่งนำหน้าศูนย์ค่าของศูนย์นั้นมันก็ยังเป็นศูนย์อยู่ แต่ถ้ามีหลายๆศูนย์ครับยิ่งมีหลายๆศูนย์ถ้ามีเลขหนึ่งนำหน้าค่าของมันก็ยิ่งเพิ่มทวีคูณเพราะนั้นครับหากชีวิตของเรายังไม่มีพระเยซูนำหน้าไม่มีพระเยซูมาเป็นที่หนึ่งเราก็ยังไม่ได้ถูกจัดว่าเป็นสาวกของพระเยซูอาจจะเป็นคนที่ติดตามพระเยซูเฉยๆอาจจะเป็นคนที่ติดตามพระเยซูเพราะว่าพระเยซูทำอะไรให้บางสิ่งบางอย่าง หรืออยากจะเห็นการอัศจรรย์หรือมีเหตุผลส่วนตัวของแต่ละคนในการติดตามพระเยซูแต่เขาไม่ได้เป็นผู้ที่เป็นสาวกอย่างแท้จริงก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายในเช้าวันนี้นะครับอยากจะให้พี่น้องได้มีโอกาสไขควรพจะนะพระเจ้าตอนนี้และพูดกับพระเจ้าปารณนาตัวเองที่จะเป็นสาวกของพระเยซูเพื่อที่จะให้พระเยซูมาเป็นเบอร์หนึ่งในชีวิต ของพวกเราอาเบน